เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบาริษัตว์อุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นมรังคาที่26มิถุนายนพุทธศักราช5 5 5เป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฟังธรรมวันชำยากายวาจาใจให้สะอาด ิสุดเพราะความสอาดริสุทธิ์ของกายวาจาใจนำความสงบนำความสุขมาให้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายเราเป็นความสุขที่อยู่กับเราไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเหตุทำให้เราเกิดกับความเกิดความสุขเหมือนเหมือนความสุข อย่างอื่นที่เราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเช่นต้องมีแฟนถึงจะมีความสุขหรือต้องสูบบุรีถึงจะมีความสุขต้องดื่มสุราถึงจะมีความสุ ข, ต, สสขต้องได้ดูหนังฟังเพลงได้ไปเที่ยวดาสถานที่ตา่ตางๆถึงจะมีความสุขความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่มีวันพอ ได้มาแล้วก็จาหายไปต้องคอยเติมคอยหาอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจแต่ความสุขที่เรามีอยู่ในใจของเราที่เกิดจากการชำระกายวาจาใจของเราให้สงด น, นั้นจะอยู่กับเรา เราสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการไม่ต้องให้มีไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้มาทำให้เกิดความสุขขึ้นเราเพียงแต่ให้รู้จักวิธีผลิตความสุขในใจของเราให้ได้เท่านั้นถ้าเรารู้จักผลิตได้แล้วต่อไปเราก็สามารถผลิตความสุขได้ตลอดเวลา หลังที่พระพุทธเจ้าและพลาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ผลิตกันใจของท่านผลิตแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดส่วนใจของพวกเรานี้ส่วนใหญ่จะผลิตความทุกข์กันเนื่องจากความหิวความอยากในสิ่งที่ไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับเราได้เราได้ น, น้อยเพียงไร เราก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งอยากได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไปเท่านั้นเราจึงควรหันมาสร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ความอยากไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองขอให้เราใช้เพียงแต่ให้เรามีเวลาเท่านั้นเองเวลาว่าง จากการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอย่างาในวันนี้พวกเราก็หันหน้าเข้าวัดกันหันหลังให้กับความสุขต่างๆเช่นความสุขที่เกิดจากการหลับนอนกับคู่ครองมาถือศีลข้อสาเป็นอพ ร, รมจารียาคือจะถือศีลพรหมจรรย์ละเว้นจากการเสพการหนึ่งวัน หรือหลายวันก็ได้แล้วแต่จะสมาทานไม่ต้องการความสุขแบบนี้เพราะในสัมผัสมามากมายกายกองแล้วแต่ก็ไม่เคยทำให้เกิดความอิ่งเกิดความพอแต่กลับจะทำให้เกิดความหิวความอยากความต้องการเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆวันนี้เราจะหาหลังให้กับความสุขแบบนี้ แล้วก็หันหลังให้ความกับความสุขที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากจนเกินความต้องการของร่างกายร่างกายนี้รับประทานเพียงเที่ยงวันนี้ก็พอเพียงแล้วสามารถอยู่ได้ไม่ตายอย่างแน่นอนหรือจะรับประทานเพียงครั้งเดียวมื้อเดียวก็อยู่ได้ดังพระปฏิบัติทำทั้งหลายจะปฏิบัติกัน นั่นมักจะถือทุดดวงกวัดการฉันอาหารฉันอาหารเพียงมือเดียวต่อหนึ่งวันเพราะว่านั่นคือความต้องการของร่างกายร่างกายเพียงต้องการอาหารเพียงหนึ่งมือเท่านั้นแต่ใจนี้มีความต้องการไม่มีไม่มีสิ้นสุดรับประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆก็ยังเกิดความอยากจะรับประทานขนมนมเนย อยากดื่มเครื่อเดื่มต่างๆตามมาทาง้งที่ท้องก็แน่นอยู่เต็มที่แล้วแต่ใจมันไม่อิ่มเพราะใจไม่ได้รับประทานอาหารของใจใจก็เลยหิวหิวก็เลยใช้ร่างกายรับประทานหาอาหารมารับประทานแทนยิ่งรับประทานเท้าหลายก็ ย, ยิ่งหิวอยู่อย่างนั้นแล้วร่างกายอ้วนขนาดไหนก็ยังอดที่จะกินไม่ได้เพราะ ใจไม่ได้รับอาหารร่างกายได้รับอาหารแต่ใจเป็นผู้สั่งร่างกายให้รับประทานอาหารของใจนี้ก็คือการทําบุญให้ทางการรักษาสี่การฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนี่จังหากเป็นอาหารของใจถ้าได้ทําสิ่งเหล่านี้แล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขใจก็จะได้ไม่ต้อง ใช้ร่างกายให้รับประทานอาหารมากจดเกินไปถ้ารับประทานอาหารมากเกินเกินไปร่างกายก็จะมีน้ำหนักเกินมีรูปร่างไม่สวยงามเป็นเหมือนตุ่มน้ำแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาโรคเบาหวานโรคความดันโรคตับโรคไตโรคหัวใจเนื่องจากร่างกายต้องทางานมากเกินความจาเป็น เหมือนกับรถยนต์ที่ต้องบรรทุกของมากจนเกินไปเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็จะชำรุดทุลมนได้อย่างรวดเร็วร่างกายของของคนที่ไม่รู้จั ก, กควบคุมการรับประทานอาหารก็จะเป็นอย่างนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบีนยรียนแล้วก็จะมีอายุสั้นจะตายไปก่อนเวลาอันสมควรนี่ก็คือเกิดจากการที่ ไม่ได้รู้จากการควบคุมการรับประทานอาหารไม่หันหลังให้กับการหาความสุขจากการรับประทานอาหารคนฉลาดจะรับประทานอาหารเหมือนเหมือนรับประทานยารับประทานตามที่ต้องร่างกายต้องการตามเวลานอกเวลาก็จะไม่รับประทานอย่างวันนี้ถ้ามาถือศีลแปดกัน ก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเป็นเหมือนยาให้ร่างกายได้มียานาเยียยาดับความหิวป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากขาดอาหารนี่ก็คือวิธีหนึ่งที่เราจะต้องทำถ้าเราอยากจะเข้าหาความสุขภายในใจ พอไม่เช่นนั้นเราก็จะบัวแต่ยุ่งมัวแต่กังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารเย็นก็ยังต้องมากังวลกับรับประทานอาหารก่อนนอนก็ยังจะรับประทานอาหารอีกแล้วพอรับประทานอาหารแล้วก็จะมีความเกียดค้านว่่งเหวาเหวนอนอยากจะนอนก็จะไม่สามารถมาปฏิบัติธรรมเช่นนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้ งนนผู้ที่ต้องการความสงบทางใจต้องการความสุขทางใจจําเป็นจะต้องหันหลังให้กับความสุขทางร่างกายเช่นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นและการรับประทานอาหารมากจนเกินไปนอกจากนั้นก็ต้องหันหลังให้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเช่นการดูหนังฟังตัวเองหรือการแต่งเนื้อแต่งตัว ด้วยเสื้อผ้าสีสดใสเพื่อให้ดูงดงามหรือการใช้เครื่องสำอางน้ำหอมต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายที่ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขเพียงชั่วเดียวเดียวเหมือนควันไฟพอหลังจากงานแล้วก็จางหายไปหมดต้องหันหลังให้กับความสุขเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีเวลามา สร้างความสุขภายในใจถ้าเราไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าทาปากเราจะประหยัดเวลาไปได้เป็นชั่วโมงเพราะกว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าทาปากใส่น้ําหอมใส่อะไรได้นี่ก็หมดไปเวลาเป็นชั่วโมงไปแล้วเอาเวลาชั่วโมงนี้มานั่งสวดมนต์ดีกว่าสวดมนต์ทำใจให้สงบหรือบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือฟังเทศฟังธรรม เพื่อจะได้เกิดปัญญาเกิดความฉลาได้รู้จักวิธีผลิตความสุขที่แท้จริงส่วนใหญ่พวกเราผลิตความทุกข์กันเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเทศธรรมฟังธรรมกันเราก็เลยคิดว่าต้องมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขแต่แทนที่จะมีความสุขกับต้องวุ่นวายเดือดร้อนกับการแสวงหา ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆแลนะอาจจะต้องไปทําบาปทํากรรมทากรรมไปสร้างเวรสร้างกรรมนี่ไม่ได้เป็นวิธีที่หาความสุขแต่เป็นการหาความทุกข์หาปัญหาเข้าใส่ตัวผู้ที่ฉลาดนั้นจะไม่หาความสุขแบบนี้ผู้ที่ฉลาดจะหาความสุขที่มีอยู่ภายในตัวของตนเอง ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกเพราะความสุขภายนอกนี้ถ้าเปรียบกับความสุขภายในก็เป็นเหมือนฟ้ากับดินความสุขภายนอกนี้เป็นเหมือนน้ำในแก้วน้ำส่วนความสุขในใจนี้เหมือนน้ำในบึงในบอ่อในสระมีปริมาณต่างกันมากคนที่มีความสุขทางใจแล้วจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายแต่คนที่มีความสุขทางกาย จะเดือร้อนกับความทุกข์ทางใจเพราะเวลาเกิดความทุกข์ทางใจมันก็ใหญ่โตเหมือนกับน้าในในบึงในสะความสุขในแก้วน้ำจะไม่สามารถต้านความสุขความทุกข์ของใจได้ในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายเกิดความทุกข์เช่นเกิดการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาก็จะเป็นความทุกข์ขนาดแก้วน้ำ สนใจที่มีความสุขกระดาษน้ําในบึงน้ําในบอ่อก็จะไม่สะทกสะท้านสะเทินเลยเช่นทศพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาลกเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยใจท่านไม่เดือดรอ้อนถึงแม้เวลาจะตายใจก็ไม่หวั่นไหวไม่เดือดรอ้อนเพราะใจมีความสุขมากกว่าความทุกข์ของร่างกายนั้นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะหันมาสนใจกัน คือใจของเราอย่าไปให้ความสําคัญกับร่างกายเพราะว่าประโยชน์สุขที่เราได้รับจากร่างกายนี้ได้เพียงเล็กน้อยได้เพียงน้ำในแก้วเท่านั้นเองส่วนประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากใจนี้เป็นเหมือนน้ำในบึงในสาควรที่จะมาหาประโยชน์ภายในจิตใจกันจะดีกว่าแล้วเราจะอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางความทุกข์ ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นการเช่นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายที่เกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายเลยเราจะอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ไม่ ว, ว่าใครจะเป็นอะไรไปเช่นพ่อเช่นแม่ตายไปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและอาจจะเห็นว่ามันดีดีกว่าอยู่สิตายไปแล้วสบายไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้ทุกวันนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตนี้ให้อยู่ได้ต่อไปต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาต้องหาอาหารมารับประทานต้องหาน้ำมาดื่ม ต้องหาที่ปลอดภัยหลบหลบจากภัยอันตรายต่างๆถึงแม้ว่าจะทำดูแลรักษาร่างกายให้ดีมากมายขนาดนี้ก็ตามในที่สุดก็หนีความตายไปไม่พ้นอยู่ดีนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราอย่าไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายนี้เป็นของขวัญเป็นตุกกตา ที่เราได้รับมาจากพ่อแม่เราไม่ได้เป็นตุ๊กตาเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่ที่วนเวียนมารับร่างกายอันนี้หลังจากที่เราต้องพัดพรากจากร่างกายอันเก่าไปคือตายไปจากชาติก่อนเราก็ต้องแสวงหาร่างกายอันใหม่พอเรามาเจอท้องแม่ที่กำลังตั้งผลิตร่างกายอันใหม่ เราก็มาจับจองพอเก้าเดือนเราก็ได้ร่างกายอันใหม่ออกมาจากท้องแม่ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงยึดติดว่าเพราะการยึดติดแล้วจะทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลหวาดกลัวกับการกับภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายทั้งทั้งที่ไม่มี ใครที่จะสามารถมาปกป้องร่างกายนี้ไม่ให้ตายได้แม้แต่ผู้วิเศษเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่สามารถที่จะปกป้องร่างกายของท่านไม่ให้ตายได้แต่ท่านสามารถปกป้องใจของท่านไม่ให้ทุกข์ไปกับความตายของร่างกายได้เพราะท่านได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถชำระ ความหลงหรือความมุดบอบที่หลอกให้เห็นผิดเป็นชอบให้เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเราเป็นเพียงเป็นผู้มาชักใ่หรือขับร่างกายนี้เหมือนกับเราขับรถยนต์คนขับรถยนต์กับรถยนต์นี้เป็นคนละคนกันเวลารถยนต์เป็นอะไร รถยนต์เสียรถยนต์ใช้ไม่ได้คนขับไม่ได้เป็นอะไรไปขับรถยนต์ฉันใดเวลาร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายถ้าใจรู้ใจก็จะไม่ทุกข์กับการเป็นไปของร่างกายถ้าใจหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจใจก็จะเดือดร้อนจะทุกข์ทรมารไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย แต่ถ้าเราได้มาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดกําจัดความมืดบอดกําจัดความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราจะเห็นความจริงเมื่อเราเห็นความจริงเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นเองเหมือนกับเวลาคนอื่นตายคนที่เราไม่รู้จักตายไป เราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์เลยเพราะว่าเราไม่ไปหลงคิดว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราแต่คนไหนมาเป็นสมบัติของเราเข้าเช่นมาเป็นสามีของเรามาเป็นภรรยาของเรามาเป็นลูกของเรามาเป็นพ่อเป็นแม่ของเราพอเขาเกิดอะไรขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยเพราะความหลงของเราเองนั่นเองดังนั้นเราต้องมอง ทุกส e, ิ่งทุกอย่างว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่มีความสำคัญอะไรกับเราเราไม่มีเขาเราอยู่ได้และอยู่ได้มีความสุขกว่ามีเขาสิมีเขาก็ต้องคอยดูแลพอไม่มีเขาแล้วเราก็สบายเช่นมีสามีก็ต้องดูแลสามีมีลูกก็ต้องดูแลลูกไม่มีสามีก็สบายไม่ต้องดูแลสามีไม่มีลูกก็ไม่ต้องดูแลลูก อยู่คนเดียวดีกว่าไม่มีร่างกายยิ่งดีใหญ่ไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องหากินไม่ต้องลำบากกับการหาที่หลบซ่อนหลบภัยต่างๆนี่คือความจริงที่ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจะรู้กันจะเห็นกันเมื่อรู้แล้วก็จะหมดความอยากจะไม่อยากได้อะไรเพราะจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้น เป็นภาระที่มาบีบคั้นกดดันจิตใจให้ทุกทรมารไปปปล่าๆความสุขที่ได้นี้ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มาเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดความสุขที่ได้จากการกินเหยื่อที่ปลายเบ็ดนี้เพียงนิดเดียวแต่ความทุกข์ที่ได้จากการที่ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนี้มันทรมารมากกว่าหลายเท่าฉันใด สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเบ็ดคืออะไรเบ็ดก็คื อ, อความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการอยากได้สิ่งต่างๆและความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกสิ่งทุก อ, อย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปเวลาได้มาก็ดีใจแต่เวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจถ้าไม่ได้มาก็จะไม่ต้องเสียไปนี่คือความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการได้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ได้นําออกไ ป, ไปปฏิบัติปฏิบัตินั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วใจจะใสจะเห็นความจริงต่างๆจะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้อยู่ที่ราบยกสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสแต่อยู่ที่ความสงบของใจนี่เองความสงบที่จะเกิดขึ้นจากการทําบุญให้ทาน เกิดขึ้นจากการรักษาสีเกิดขึ้นจากการภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเห็นว่าเป็นความทุกข์แล้วก็จะไม่ต้องการไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดจากความอยากได้นั่นเอง พอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีความทุกข์เหมือนกับถ้าไม่มีไม่มีเชื้อโรคก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคของใจก็คือความอยากต่างๆนั่นเองคือความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้แหละคือตัวที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นเราต้อง ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อจะสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ความอยากมีอยากเป็นเป็นทุกข์ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นทุกข์ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วก็จะไม่กล้าอยากเหมือนถ้าเราเห็นงูงูว่าเป็นงูพิษเราก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ แต่ถ้าเราไปเห็นงูพิษว่าเป็นปลาไหลเราก็อยากจะไปจับปลาไหลมารับประทานคนที่ไม่เห็นงูพิษคนที่ไปเห็นปลางูพิษว่าเป็นปลาไหลก็เป็นคนตาบอดนั่นเองหรือเป็นคนที่ไม่รู้ความจริงฉันใดคนที่เห็นว่าราบยศสรรเสริญสุขลาบยศสรรเสริญเป็นสุขเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโสดพระเป็นความสุขคนนั้นก็เป็นคนไม่รู้ความจริง หรือเป็นคนหูหนวกตาบอดเ mm. มื่อไม่รู้ความจริง mm. หรือเป็นคนตาบอด ก, mm. ก็จะต้องเดินไปหาสิ่งที่เป็นอันตรายเช mm. ่นคนตาบอดถ้าเดินไปตามท้องถนน mm. ก็อาจจะเดินไปตกหลุมตกบอก่อ mm. เดินไปชนเสาไฟฟ้าได้เ mm. พราะมองไม่เห็นฉันใดพวกเรา mm. ที่มีความทุกข์กันก็เพราะว่าพวกเรามีความมืดบอดทางจิตใจไม่มีปัญญา ไม่มีแสงสวา่างทำให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรถานจริงๆลองเคยคิดดูไหมเราทุกข์กับร่างกายใช่ไหมเรากลัวร่างกายแก่กลัวร่างกายเจ็บกลัวร่างกายตายกลัวร่างกายอดอยากขาดแคลงเพราะว่าเราไปหาร่างกายมาเราอยากได้ร่างกายเพราะว่าเราคิดว่าเท่านี้มีร่างกายแล้ว เราจะได้ไปเที่ยวได้เช่นคนที่เป็ น, นามาีอมภพกรรมภาสนี้เขาจะทุกข์มากเพราะเขาไปเที่ยวไม่ได้เขาอยากไปเที่ยวเขาจึงต้องลิ้นรนพยายามรักษาร่างกายของเขาให้สามารถไปไหนมาไหนได้ถ้ารักษาไม่ได้เขาก็จะเกิดความทุกข์มากจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็ต้องฆ่าตัวตายไปแต่ถ้าคนที่รู้จักหาความสุข โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นพวกที่มาปฏิบัติธรรมกันนี้มาทำบุญให้ทางมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนี้ถ้ารู้จักทำใจให้สงบได้แล้วต่อไปร่างกายเป็นอารมณ์เพิกกระมาภาพก็ไม่เป็นไอไม่เดือดร้อนเพราะสามารถหาความสุขได้ภายในใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะไม่ทุกข์กับการเจ็บไายได้ป่วย เช่นกับการเป็นอมพุกอมภาพจะอยู่กับร่างกายไปจนกว่าร่างกายมึอจะตายไปได้ไม่เป็นปัญหาอย่างไรเพราะว่ารู้จักหาความสุขพวกเราควรจะหันเข้ามาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะร่างกายเราไม่แน่นอนนั่นเองไม่รู้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหรไม่รู้ว่าจะหูหนวกตาบอดเมื่อไร ไม่รู้ว่าจะพิกนพิการไปเมื่อไรถ้าเกิดที่เป็นอะไรขึ้นมากับร่างกายแล้วถ้าเรายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราก็จะหาไม่ได้พอหาไม่ได้เราก็จะเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ทรมานใจนี่คือความสุขทางร่างกายอย่าไปหาให้ทันเข้ามาหาความสุขทางจิตใจ ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา <c oughs> นั่งหลับตาทำใจให้สงบสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าใจคิดมากก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกระทั่งหยุดคิดแล้วก็มาดูลมหายใจต่อแล้วไม่นานก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจ ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหานี่คือวิธีการหาความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพุทธบย ร, รยสัตว์สีเช่นอย่างวันนี้ก็ให้เข้ามาหาความสุขแบบนี้กันหนึ่งวันก่อนเป็นการทดลองไปก่อนถ้าสามารถพบกับความสุขภายในใจได้แล้วจะเกิดมีศรัทธามีความยินดีที่จะหาความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นไป ก็อาจจะมาอยู่วัดมากขึ้นแทนที่จะมาวัดอาทิตย์ละครั้งก็อาจจะมาทีละอาทิตย์ละสาวัน4ี่วันหรือมีเวลามากมีเวลาว่างเมื่อไรก็จะเข้าวัดทันทีเพราะว่าจะได้เข้ามาหาความสุขเหมือนเข้ามาจากภายนอกที่อากาศร้อนเข้ามาในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ใจเวลาได้เข้าวัดนี้จะมีความร่มเย็นเป็นสุดเวลาอยู่นอกวัด น, นี้จะมีความรุ่มร้อนใจเพราะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้ใจรุ่มร้อนนั่นเองก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคนต่างๆนี่แลเป็นตัวที่ทำให้ใจของเรารุ่มร้อนเพราเราปล่อยวางเขาไม่ได้เรายังยึดติดกับเขาเรายังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ อเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็เกิดความนุ่มร้อนใจขึ้นมาดังนั้นขอให้เราหนีจากสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเข้ามาวัดกันดีกว่ามาเข้าห้องปรับอากาศกันอยู่ข้างนอกมันร้อนอยู่นอกวัดมันร้อนมาอยู่ในวัดกันดีกว่าอยู่ในวัดแล้วเย็นใจเหมือนเข้าเข้ามาในห้องปรับอากาศนี่คือ หน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาก็เพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทได้มีเวลานี้จากความรุ่มร้อนภายนอกวัดแล้วเข้ามาหาความนุ่มเย็นภายในวัดอย่างที่ท่านทากันในวันนี้ขอให้ทํากันไปเรื่อยๆและทําให้มากขึ้นไปเถิดแล้วจะมีความสุขความนุ่มเย็นมากขึ้นไปตามลําดับ จนจะมีความสุขความน่มเย็นไปตลอดเวลาเลยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและภาะสาวกทั้งหลายกำลังได้สัมผัสกำลังมีอยู่ในขณะนี้ใจของพระพุทธเจ้าของภาะสาวกทั้งหลายไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ตายไปใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนกับใจของเราเพียงแต่ว่าใจของท่านไม่ต้องมีร่างกายแล้วเพราะมีร่างกายแล้วมันทุกข์มันรุ่มร้อนนั่นเอง จึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจานาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้